ในโลกนี้เนี่ยนะถ้าจะสรุปมันก็มีแค่สอย่างเท่านั้นนะหนึ่งคือสิ่งที่เราชอบสองสิ่งที่เราไม่ชอบสสิ่งที่เรารู้สึกเฉยเฉยนะสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะแต่ว่ามันก็มักจะมีเหตุมีผลเช่นที่เราไม่ชอบเพราะเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นโทษ นะส่งกลิ่นเมน็นนะหรือว่าทําให้เกิดความทุกข์ความลําบากเช่นแดดร้อนนะอากาศหนาวนี่เราไม่ชอบนะและอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบนั้นะเราก็มักจะพยายามอยู่ห่างส่วนสิ่งที่เราชอบนะเรามักจะเข้าหานะอยากได้มาในครอบครองอยากเสพอยากบริโภคสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยนะ ไม่ต้องเตือนเนี่ยเราก็อยากจะหนีห่างอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เราชอบนี่บางทีก็ต้องระวังนะเพราะว่าเรามักจะเห็นแต่ด้านดีของมันแต่เรามองไม่เห็นโทษบางทีไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราเกลียดนะแต่มันคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอันนี้ไม่ได้หมายถึงการชอบในสิ่งที่มันมีโทษอย่างแน่นอนนะ เช่นชอบสูบบุรี่ชอบกินเหล้านะชอบเล่นการพนันันอันนี้มันชัดอยู่แล้วนะใครที่ชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะนั้นก็มีแต่เดือดร้อนสถานเดียวนะไม่ต้องพูดเนี่ยนะก็เห็นกันอยู่ส่วนจะทําได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องต้องใช้ความรู้นะถึงจะเห็นโทษนะเช่นปลาดิบเนี่ยนะคนที่ชอบกินปลาดิบเนี่ยนะ อันนี้ผ่านปลาดิบอีสานนะก็อาจจะเกิดโทษในระยะยาวนะก็คือโรคพยาธิใบไม้ในตับนะพยาใบาไม้ในตับนี่เกิดกับคนอีสานมากนะพอกินปลาดิบที่เรียกว่าดิบๆเลยนะไม่ได้ผ่านการต้มการนึ่งการย่างเป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วเสร็จแล้วก็เป็นมะเร็ง มะเร็งตับนี่คนอีสารก็เป็นกงินเยอะแต่ถึงแม้ว่าเราตัดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยนะไอ้อสิ่งที่เราชอบเนี่ยหลายอย่างก็ก็ดูดีนะมีประโยชน์นะแต่เป็นเพราะเราชอบนั่นแหละนะมันก็กลับเป็นโทษขึ้นมาไดนะ้เช่นน้ำตาลเนี่ยนะน้ตาลนะน้ำตาลนี่มันทำให้รสชาติอาหาร น่ากินนะอร่อยแต่คนที่ชอบน้ำตาลนี่สุดท้ายก็อาจจะลงเอยด้วยการนะเป็นเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนหลายคนชอบกินช็อกโกแลตนะหลายคนชอบกินพิซซ่านะหลายคนชอบกินพวกไขมันนะเช่นขาหมูนะพะโลเนี่ย เจอขาหมูเจอพะละทีไรเนี่ก็เข้าหาเลยหรือไม่ก็ไปร้านไปตลาดก็หาแต่อาหารพวกนี้แหละกินแล้วมีความสุขนะแต่ว่าลงท้ายนี่ก็อาจจะเกิดโรคนะโรคเบาหวานโรคหัวใจเนดะีย๋ยวนี้ตายกันเยอะนะด้วยสองโรคนี้มาเร็งอีกต่างหากนะอันนี้รวนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราชอบนะ บางคนนี่ทั้งที่ป่วยแล้วนะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะใช่เลือดสมองตีบเพราะไขมันหมอก็บอกว่าไอ้งดนะของหวานนะโดยพระหมูพะโล้หรือว่าพวกขาหมูเนี่ยนะอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเนี่ยแต่ว่าเพราะความชอบเนี่ยพอชอบแล้วเนี่ยนะมันก็ติดพอติดแล้วเนี่ยมันก็เลิกยากนะกินเข้าไปเพราะว่า ตายก็มีนะเฮ้ย hey, เดืนนี้เนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยนะเป็นทุกข์นะก็เพราะสิ่งที่ตัวเองชอบมากอันนี้ลดหนึ่งการชอบความสะดวกสบายนะชามสะดกสบายนั่งๆ่งนอนๆอนนะถ้าจะให้เดินนี่ไม่เอานะระหว่างเดินขึ้นบันไดกับอ่าใช้ลิฟต์เนี่ยหลายคนก็เลือกใช้ลิฟต์นะเพราะชอบสบาย ระหว่างการออกกำลังกายเช้ากับการก้มหน้าเล่นไลน์เล่น f a c e b o o นะแต่เชา้านี่ส่วนใหญ่ก็เลือกอย่างหลังเพราะอะไรพราะชอบนะทำไมถึงชอบเพราะมันสบายอันนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองนะในระยะยาวนะเพราะว่าพอเอาแต่กินแล้วไม่ออกกำลังกายนะไอ้โรคภัยก็ถามหาเขาเรียกว่า โรคที่เกิดจากความขี้เกียจเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากนะคนตายเพราะโรคขี้เกียจนี่เยอะมากนะโรคขี้เกียจก็โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตวายนะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองที่การอมภาตอมพึกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากความขี้เกียจซึ่งความหมายนี้ก็คือมันเป็นโรคที่เกิดจากการชอบสบายนะหรือชอบของอร่อยนะ วันนั้นเนี่ยนะไอของที่เราชอบนี่ต้องระวังนะคนมักจะระมัดระวังกับของที่ไม่ชอบของที่เกลียดนะพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ต้องเจอมันนะแต่เรากับไม่ระมัดระวังนะแถมประมาทนะกับสิ่งที่เราชอบ น, ะนี่ใครควรนะเราดีๆนะโดยเฉพาะเวลากินอาหารเนี่ย อย่ากินเฉพาะสิ่งที่เราชอบนะเพราะว่าพอกินไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะโทษมันก็ค่อยๆสะสมนะมันไม่มีอะไรที่มีแต่คุณอย่างเดียวนะข้าวที่เรากินเนี่ยก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเรากินมากๆก็จุกนะถ้ากินต่อไปมันก็ จ, จะแน่นท้องนะหรือว่าอาจจะทำให้ไม่สบายได้และเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไอ้ของที่เราชอบนี่มันหาง่ายมากนะ แล้วก็มันมีอยู่เรียกว่าเราเสพเราบริโภคทั้งวันเลยนะแต่ก่อนนี้น้ําตาลเนี่ยน้ําตาลสายนี่หายากมากนะอันนี้เมื่อร้อยปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีเกลื่อนไม่หมดนะอะไรอะไรก็ใส่น้ําตาลส้มตําก็ใส่น้ําตาลก๋วยเตี๋ยก็ใส่น้ําตาลเพราะคนชอบนะงั้นอะไรที่เราชอบเนี่ยเราต้องระวังนะ พอชอบแล้วก็ติดนะพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้ก็ต้องเส็บไปเรื่อยๆแม้ว่าเจ็บแม้ว่าป่วยนะก็ยังเลิกไม่ได้เนะี่ยเรื่องการชอบของกินนี่มันก็เป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ไม่ยังไม่ป่วยเพราะมะเรง็งไม่ป่วยเพราะโรคหัวใจนะแต่ว่ามันก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มนะเกิดโรคอ้วนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้นะคนรู้สึกเป็นทุกข์มากกับความอ้วนของตัว มันมีข้อมูลน่าสนใจนะเขาเคยสอบถามผู้หญิงสาวๆเนี่ยในยุโรปกว่าครึ่งนะยอมที่จะให้รถชนมากกว่าที่จะอ้วนรถชนนี่หมายถึงรถโดยสารนะรถท럭นะไม่น่าเชื่อนะกว่าครึ่งเนี่ยถ้าเลือกระหว่างอ้วนกับโดนรถชนนี่ขอเลือกอย่างหลังมากกว่ า, าทั้งที่โดนรถโดยสารชนนี่นะมันหมายถึงตายนะหรือไม่ไม่ตายก็พิการ มันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่าคนยอมตายมากกว่าที่จะยอมอ้วนแต่ว่าทำไมถึงเป็นปัญหาก็เพราะว่าหยุดอ้วนไม่ได้นะคนที่หยุดอ้วนได้นี่เขาไม่ท้าเลือกระหว่างอ้วนกับโดนรดชนนี่เขาก็นะเลือกอ้วนดีกว่าเพราะเขารู้ว่ามันไม่คุกคามเขาแเพราะเขาหยุดมันได้แต่คนที่กลัวโรคอ้วนจนยอม ให้รถชนเนี่ยแสดงว่าเขาหยุดความอ้วนไม่ได้มันเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาและที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะความชอบนี่แหละนะชอบกินไอติมชอบกินช็อกโกแลตชอบกินพิซซ่านะชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ไก่ย่างนะของหวานนะไขมันโปรตีนนะอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักนะไม่ค่อยระแวดระวังว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละนะที่มันจะกลายเป็นหอกข้างแคร กลายเป็นแพนอันตรายกับตัวเองนะลองสำรวจดูนะเออเรานะชอบอะไรบ้างนะโดยเฉพาะเวลากินอาหารเนี่ยอะไรที่เราชอบก็จะกินเยอะกินเยอะกินทุกวันกินทุกมือ้อกินบ่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างน้อยๆก็เกิดโรคอ้วนเดี๋ยวนี้นี่คนกลัวอ้วนจนกระทั่งว่าพร้อมนะอะไรที่จะทําให้ไม่อ้วนนี่ก็เอาทั้งนั้นแหละแม้ว่าจะต้องกิน กินอะไรรู้ไหมกินพยาธนะมันมีมันมีพยาธขายนะครับแคปซูลที่มีไข่พยาธเนี่ยนะคนที่ซื้อคนที่กลัวอ้วนนั่นแหละนะหรือคนที่กาลังอ้วนอยู่นะมีคนนะในอเมริกาเนี่ยกินไปหาซื้อพวกนี้ทางอินเทอร์เน็ตนะสินค้าออนไลน์กินแคปซูลที่มีไข่พยาธนะ์กินเพื่ออะไรเพราะว่าจะทําให้ผอมนะเพราะเห็นคน มีพญาลละผอมนะส่วนทรงนะองเอวนี่ก็แบบบางเพรียวนะก็อยากเป็นอย่า ง, ง, น, งนั้นบ้างท่านที่ไอพญายที่กินนี่นะมนันอันตรายกว่าไอความอ้วนอจริงก็ไม่ได้อ้วนมากเท่าไหร่นะแต่ว่าไปคิดว่าอ้วนนะในอเมริกานี่ 98% ้าสบดเปอร์นตะคิดว่าตัวเองเนี่ยอ้วนกว่าความเป็นจริงนะ อันนี้มันก็เกิดจากการโฆษณาเกิดจากการที่ไปเปรียบเทียบกับดารานางแบบนะเห็นดารานางแบบในโทรทัศน์นี่ผอมๆตรงนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอ้วนเกินไปแล้วนะทั้งที่จริงบางทีก็ปกติได้ซ้ำนะก็ฝากเอาไว้นะอา้าวจากนี้ไปก็ขอเชิญคุณหมอมาถวายสังฆทาน